บุกทูแปดสิบคำคุณศรรพัพท์สามเธอมีสุนักหนึ่งตัวสุนักตัวใหญ่ เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัวอยยวลกิบะเธอมีบ้านหนึ่งหลังยาามาเดมบ้านหลังเล็กดมมลเธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลังยาามาเมาลดม เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่งโรงแรมราคาถูกเขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกเขามีรถหนึ่งคัน รถราคาแพงอตอตโมบิลดราร์ยีเขามีรถราคาแพงหนึ่งคันยนไไมด่ดาร์ยี่ออตโมบิลเขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องยนชไตราา์แมนนิยายหน้าเบื่อรแมานนุดนน เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่องย ч и т а ย нудны นรแมนเธอดูหนังหนึ่งเรื่อง яна г л อ д ลจิตฟิล์มหนังน่าตื่นเต้นฟิล์ม з а ขับไล่อยูเธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง яна г л อ д ลจิตจะขับไล่อยู่เฉยฟิม